เสียงอ่านหนังสือชุดมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มที่ส5ห้าตอนอัทธกถาธรรมบทแปลจากพระบาลีภาคที่สองเรียบเรียงโดยพระอาจารย์สุวัตสุวัฒโนพิทักวงศุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็กเสียงอ่านโดยอริยคุณพุทธธรรมชมรมผลดีจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยณช น, นิพาปิติเจริญกุล พรธรมรมป ท, ทัตถกถาปแปลภาคที่สองเรื่องพระนางสามาวดีพระบรมศาสดาครั้นเมื่อประทับอยู่ที่โคสิตตารามกรุงโกสัมพีแคว้นวังสะของพระเจ้าอุเทนทรงตรัสถึงความตายของพระนางสามาวดีและพระสนมบริวารห้าร้อยและพระนางมาคันธยาและญาติของพระนางมาคันธยาห้าร้อยดังต่อไปนี้ ในการครั้งหนึ่งมีพระราชาสององค์ชื่ออัลละกับปะกับเวททีปกะเป็นสหายกันได้เกิดสลดสังเวทใจรำพึงนึกถึงว่าตนเองจะต้องตายจึงปรึกษากันและสละราชสมบัติออกบวชเป็นดาบทเพื่อความไม่คลุกคลีแยกกันอยู่บนภูเขาคนละลูกทุกวันพระกึ่งเดือนต่างจุดไฟให้โลงขึ้น เป็นเครื่องสัญญาณว่าต่างยังมีชีวิตอยู่การต่อมาเวทธีประกะถึงกาละตายไปบังเกิดเป็นเท พ, พเจ้ามีศัก์ใหญ่อัลกัปปะดาบทไม่ไลยเห็นไฟลูกโคลงดังเช่นเคยก็ทราบว่าสหายตายแล้วเวทกะเทพบุตรได้ลงมาเยี่ยมที่ภูเขาที่อยู่ทราบว่าสหายไม่สุขสบายเพราะช้างรบกวน จึงได้ถวายพินสามสายหัสดีกันและสอนให้ร้มนสามบทไล่ให้หนีไล่แล้วเหลียวกลับมาและเรียกช้างในฝูงให้หันกลับมาหาสิ่งใดชอบใจจงทำสิ่งนั้นกล่าวแล้วก็หลีกไปดาบทสหายก็ทำตามอยู่สุขสบายตลอดมากล่าวถึงพระเจ้าอุเทนแหนน่งโกสัมพีนครกรุงโกสัมพี พระเจ้าปรันตปะอยู่กับพระราชเทวีซึ่งทรงพระคันทรงห่มผ้ากำพลแดงราคาแสนพระราชาทรงถอดพระธรรมรงจากนิ้วมือมาสวมให้พระราชเทวีแล้วทรงปราศัยกันอยู่นกหัสดีลิงรูปร่างใหญ่คล้ายช้างมีกำลังมากบินมาทางอากาศและเห็นสีแดงของผ้ากำพลที่ห่มคิดว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงโผลโฉก เอาพระราชเทวีไปในหิมะวันตะประเทศไปที่คาคบไม้ที่ต้นไทรใหญ่หมายจะเคี้ยวกินพระราชเทวีทรงมีปัญญาจึงทั้งปรกมือแล้วร้องขึ้นแล้วไล่นกนันน้นหนีไปและพระนางก็คลอดพระโอรสที่นั่นเองให้ชื่อว่าอุเทนเพราะเหตุแห่งการคลอดในความขึ้นแห่งอรุณฝ่ายพระดาบ ออกเดินหากินเพื่อจะเก็บกระดูกสัตว์ที่ใต้โคนไม้มาเป็นอาหารได้ยินเสียงเด็กร้องจึงปีนขึ้นไปช่วยพาไปอาสมบำรุงอนุเคราะห์เป็นอย่างดีไม่กระทำศิลปะเภทให้ด่างพร้อยส่วนพระเทวีคิดอุบายหลอกล่อพระดาบดจนศีลพินาตและอยู่กรองสมัครสังวาสกันอาศัยอยู่ณพื้นที่นั้นจนพระโอรสโตเป็นหนุ่ม ดาบทสอนให้เรียนมนและพินสามสายเดินทางไปกรุงโกสัมพีพร้อมด้วยขบวนคชสารขึ้นกรองกรุงโกสัมพีแทนพระราชบิดาสองผัวเมียชื่อโกตุหลิกะกับนางกาลีหนีภัยออกเดินทางไปกรุงโกสัมพีด้วยหนีโรคอหฮิวาสเสบียงหมดระหว่างทางสามีคิดทิ้งลูกฝ่ายพัญญาไม่ยอม สามีหลอกทิ้งลูกถึงเจ็ดครั้งหครั้งนางกาลีก็กลับไปเอาลูกทุกครั้งครั้งที่เจ็ดลูกตายด้วยผลกรรมอันนี้ในระหว่างพบทั้งหลายเขาถูกทอดทิ้งถึงเจ็ดวาระทุกภพชาติด้วยผลแห่งกรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลไม่พึงดูหมิ่นกรรมว่าน้อย สองสามีพัญญาคร้นลูกตายแล้วเดินทางถึงบ้านเศรษฐีได้กินอาหารในโกตุฮลิกะกินอาหารมากเกินไปหลังจากที่ได้อดอาหารมาหลายวันจนตายก่อนตายได้ไลเห็นสุนัขในเรือนเศรษฐีกินอาหารดีๆมีความยินดีในสุนัขนั้นคร้นตายจึงไปเกิดในท้องแม่สุนัขที่บ้านเศรษฐีฝ่ายนางกาลีก็เป็นหญิงรับใช้ในเรือนเศรษฐีนั้น ครั้นแม่สุนัขคลอดลูกเศรษฐีเลี้ยงดูอย่างดีลูกสุนัขน่ารักเศรษฐีหัดให้ไปนิมนต์พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้ามารับบาตรแทนตนและสั่งให้ไล่สัตว์ร้ายระหว่างทางแก่พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าด้วยความคุ้นเคยกันมานานครั้นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าถึงกล่าวกลับไปคันคันธมาทสุนัขนั้นแลดูจนสุดสายตาด้วยอะไรและอกแตกตาย ไปบังเกิดเป็นโคสกะเท พ, พบุตรผู้มีเสียงกล้องกังวานแม้เพียงกระสิบได้ไกลถึง16โยชนเสียงพูดปกติย่อมกลบพระนครถึงหมื่นโยชนเพราะเหตุที่เห่าไล่สัตว์ ร, ร้ายป้องกันพระปัจเจกพุทธเจ้าโคสกะเท พ, พบุตรดำรงอยู่ในเท พ, พนคร น, นั้นไม่นานก็จุติคือเคลื่อนหรือตายจากพบนั้นแล้ว เหตุที่เทพจุติคือเคลื่อนจากภพนั้นด้วยเหตุสี่อย่างคือด้วยความสิ้นอายุด้วยความสิ้นบุญด้วยความสิ้นอาหารและด้วยความโกรธโคสกาเทพบระบุจุติคือเคลื่อนจากภพนั้นด้วยเหตุบุญน้อยดุดบุคคลนำเข้าเปลือก4ถึงหทนานไปใส่ไว้ในช้างหลวงจึงดํารงอยู่ได้ไม่นานก็สิ้นบุญ เทพมากมากบริโภคกรรมคุณไม่บริโภคอาหารด้วยหลงลืมสติมีกายอันเหนื่อยอ่อนยอมเคลื่อนด้วยสิ้นอาหารส่วนเทพบังองค์ไม่อดทนในสมบัติของผู้อื่นโกรธเคืองแล้วยอมเคลื่อนด้วยความโกรธโคสกาทเท พ, พบุตรมัวบริโภคกรรมคุณหลงลืมสติจึงเคลื่อนด้วยสิ้นอาหารเคลื่อนแล้วไปเกิดในท้องของหญิงงามเมือง ในนครโกสัมพีในวันคลอดเป็นชายถูกมารดาให้คนใช้นำเอาอไปทิ้งข้อนี้ประเพณีของหญิงงามเมืองนครโสเพณีถ้าลูกเป็นหญิงจึงจะเลี้ยงไว้สืบสกุลอาชีพเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีทราบจากปุโรหิตว่าเด็กเกิดในวันนี้จะได้เป็นเศรษฐีผู้ประเสริฐกว่าใครในเมืองนี้ จึงให้คนรับใช้ออกทระเวนหาถ้าเป็นหญิงจะให้แต่งกับบุตรชายถ้าเป็นชายจะให้แต่งกับบุตรสาวของตนปรากฏว่าพัญญาเศรษฐีคลอดบุตรชายและคนใช้ได้ไปเก็บทารกที่ถูกทิ้งเป็นชายเหมือนกันจึงวางแผนคิดจะฆ่าเพื่อไม่ให้เป็นเศรษฐีแข่งกับบุตรของตนเศรษฐีให้นําทารกไปวางไว้หน้าประตูข้อโคเพื่อให้เหยียบตาย ครันรุ่งเช้าเมื่อเปิดประตูคอกได้มีโคจ่าฝูงยืนทางขาคล่อมไว้นายโคบานเอนดูเก็บไปเลี้ยงเศษฐีไปซื้อมาด้วยเงินหนึ่งพกหาปณะนะสั่งให้นำไปวางขวางทางให้เกวียนทับแต่นายเกวียนลายเห็นก็นำเอาไปเลี้ยงที่เป็นเช่นนี้ด้วยกุศลวิบากในอดีต ที่ป้องกันพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยการเห่าไล่สัตว์ร้ายในภพก่อนเศรษฐีไปซื้อด้วยเงิน 1, ห, หนึ่งพันกหาปัญหอีกแล้วให้เอาไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบในข้อนี้ก็คือถูกทิ้งเป็นครั้งที่สด้วยกรรมในชาติเป็นสุนัขเห่ารักษาพระปัจเจกพุทธเจ้าสุนัข ก, กาและอมนุษย์ไม่อาจเข้าใกล้เด็กนั้นได้กรรมนั้นได้รักษาเด็กนั้นไว้คนเลี้ยงแพะมาพบ ก็นำเด็กนั้นไปเลี้ยงไว้เศธีไปขอซื้อด้วยเงิน 1, ห, หนึ่งพันกะหาปณะอีกแล้วสั่งให้เอาไปโยนเหวก็ไปตกอยู่บนเถาพุ่มกระพังโหมอ่อนนุ่มดุดผ้าขนสัตว์บนพุ่มกอไผ่คนตัดไม้เก็บเอาไปเลี้ยงเศธีทราบข่าวก็ไปขอซื้อด้วยทรับ 1, ห, รหนึ่งพกะหาปณะอีกขณะนั้นนายโคสกะเป็นหนุ่มรุ่น เป็นนามยอกอกเศรษฐีตลอดมาจึงเขียนจดหมายให้ในายโคสกะเพื่อไปหานายช่างหม้อให้ฆ่าแล้วใส่เตาเผาหม้อเผาเสียนายโคสกะอ่านหนังสือไม่ออกด้วยไม่เคยได้เรียนหนังสือเดินทางผ่านน้องชายซึ่งเป็นบุตรเศรษฐีร้องขอให้โคสกะเล่นกีฬาพนันแทนและได้ถือหนังสือไปแทนและถูกนายช่างหม้อฆ่าตายผิดตัว เป็นการให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นตามสนองเรื่องนี้ในครั้งนี้เป็นครั้งที่หกที่นายโคสกะรอดชีวิตอีกเศฐีออกอุบายใหม่จึงส่งตัวไปยังสำนักเก็บสวยต่างเมืองให้ในายสมียนฆ่าจึงเขียนหนังสือส่งให้ผูกไว้ที่ชายผ้านำไประหว่างทางได้ไปพักกลางทางที่บ้านเพื่อนของเศรษฐีมีทิดาสาวรุ่นคนหนึ่ง ในอดีตชาติเคยเป็นพัญญาของนายโคสกะพกกันด้วยบุคเพสนิวาส ด, ด้วยนางที่เคยถวายเข้าสุขแก่พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าผลแห่งทานนี้นางได้มาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีนี้ความรักเกิดได้ด้วยเหตุสองประการคือด้วยการเคยอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งและด้วยการเกื้อกูลในปัจจุบันหนึ่ง ทิดาสาวเศรษฐีจึงแปลงสารเขียนข้อความขึ้นมาใหม่ให้นายสมียนเก็บสวยจัดแจงพิธีมงคลสมรสกับตนนายโคสกะจึงได้แต่งงานกับทิดาเศรษฐีด้วยประการชะนี้เศรษฐีค่านายโคสกะไม่ได้รู้ข่าวถึงกับเสียใจจนป่วยหนักพัญญาในโคสกะจึงชวนสามีไปเยี่ยม ทำกิริยาทีท่าว่าโศกเศร้าเสียใจแล้วกอดเอาศีรษะซบอกเศรษฐีจนถึงการตายในโคสกะจึงได้สมบัติทั้งหมดและได้รับแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีแห่งเมืองนั้นแทนโคสกะเศรษฐีได้สละทรัพย์วรรพันแก่คนเดินทางไกลและคนกำพร้าโดยมีนายมิ ต, ตะกุดุมพีเป็นผู้จัดการในทานนั้น เศรษฐีพัทธวดีในพัทธวดีนครเป็นสหายกับโคสกะเศรษฐีได้อพยพหนีภัยอาหิวาย้ายไปกรุงโคสัมพีรวมสามคนพร้อมด้วยพัญญาละทิดาครั้นสเสบียงหมดลงจึงเข้าไปสู่โรงทานของโคสกะเศรษฐีพัทธวดีเศรษฐีและพัญญาได้ทาํากาลณที่นั้นฝ่ายทิดาเศรษฐีนั้นนายมิตรกุดุมพีนําไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม เหตุที่ชื่อว่าสามาวดีเพราะเหตุที่นางทำรั้วกัน้นทำแถวแยกทานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีเสียงอื้ออึงขึนนึ่งนางมีหญิงรับใช้ห้าร้อยเป็นบริวารในตำแหน่งที่ดาคนโตของมิตรกุดุมีนั้นวันหนึ่งในงานนักสัตรเริกนางสามาวดีและบริวารไปสู่ท่าน้ำเพื่ออาบพระเจ้าอุเทนทรงทอดพระเนตรเห็นเกิดเสน่หา จึงรับสั่งให้ส่งสารไปสู่ขอแก่เศรษฐีส่งอภิเศกไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีพระเจ้าจันทประโชธกรองเมืองอุเชนีมีพระราชาธิดาชื่อว่าวาสุลทัตตาทำกฎอุบายศึกด้วยช้างไม้ใส่ทหารในท้องช้างไม้ตัวละห้าสิบคนเอาผ้าเก่าหุ้มภายนอกหลอกพระเจ้าอุเทนดิดพินหัสดีกันอยู่ ไม่รู้กลถูกจับตัวเป็นฉเฉลยพระเจ้าจันทประโชดต้องการเรียนมนหาสดีกันจึงส่งพระราชธิดาวาสุลทัตตาเข้าไปเรียนเกิดรักใคร่ชอบพอกันพาพระเจ้าอุเทนพระสวามีนี้กลับเมืองโกสัมพีรามชื่อมาคันธียะในแคว้นกูรุมีธิดาชื่อว่ามาคันธิยามีรูปร่างดุเทพอับซร พระราชาหรือเศรษฐีทุกหัวเมืองมาสู่ข อ, อก็ไม่ปลงใจแล้วว่าพวกท่านไม่คู่ควรแก่ลูกสาวของฉันแล้วไล่ส่งกลับไปพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระยานทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลของมาคันธียาพรามจึงเสด็จไปโปรดพรามลายเห็นพระบรมศาสดาจึงพูดยกลูกสาวให้เป็นบาทบริจาริกา นางพรามพัญญากล่าวว่าคนมีราคะกระโยงว้ากลางคนเจ้าโทสะมีรอยเท้าอันล้นบีบหนักส้นคนเจ้าโมหะยอมมีรอยเท้าจิกลงหนักทั้งปลายนิ้วเท้าแต่คนมีกิเลสเครื่องมุงบังเปิดแล้วดั่งรอยเท้าที่ราบเรียบเสมอกันคือรอยเท้าที่ลายเห็นอยู่นี้รอยเท้านี้มีใช่รอยเท้าของผู้มักเสพกามคุณทั้งห้า แต่พรามสามีไม่เชื่ อ, อยังพูดกล่าวยกลูกสาวให้แก่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าเราไม่ได้มีแม้แต่ความพอใจในเมทุนเพราะเห็นนางตัญหานางอรดีนางราคาฉะไหนเล่าจะมีความพอใจเพราะเห็นทิดาของท่านนี้ซึ่งเต็มไปด้วยมูดคือปัสวะและอุจจาระเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องทิดาของท่านนี้แม้ด้วยเทา้า ในที่สุดแห่งพระคาถาพรามและรามณีก็ตั้งอยู่ในอนาคามิผลฝ่ายนางมาคันธิยาผู้เป็นธิดาได้ผูกอาคาตในพระาศาสดาถ้าเราเต็มพร้อมไปด้วยชาติตระกูลประเทศโภคะยศและ ว, วัยได้พระสดาเต็มพร้อมแล้วจกรู้กรรมอันควรทำแก่พระสมณะโคดมนี้พระพุทธองค์ ทรงทราบถึงความอาฆาตของธิดานี้แต่ด้วยทรงทราบถึงความสามารถแห่งการบรรลุมรรคผลแก่พรามและพระมณีทั้งสองนั้นต่อมานางคันธิยาธิดานั้นก็อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของจุลามคันธิยาคืออาและได้นำไปถวายตัวแก่พระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีดังนั้น พระเจ้าอุเทนจึงมีมเหสีถึงสามพระองค์ด้วยประการชนี้เสรีฐีแห่งกรุงโคสัมพีมีสมคนคือโคส ก, กะเศษฐีกุกุตตะเศษฐีและปาวาริกาเศษฐีแม้ดาบทษีห้าร้0ก็ได้รับนิมนต์อยู่ในเรือนของเศษฐีทั้งหลายเหล่านั้นตลอดเวลาพรรษาสี่เดือน ซึ่งเดินทางมาจากฮิมมาวันตประเทศระหว่างทางเห็นต้นไทรใหญ่เทวดาต้นไทรผู้มหศสักใหญ่ได้ถวายน้ำดื่มน้ำอาบโภชนาหารทุกสิ่งแก่มูรษีเหล่านั้นจึงถามว่าเทวราชท่านมีสมบัติมากด้วยกรรมอะไรหนอเทวราชต้นไทรกล่าวว่าชาติก่อนเกิดเป็นคนเข็นใจรับจ้างอยู่ในเรือนของอนาถาบินทิกะเศรษฐี รักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันตายมาบังเกิดเป็นเทวดาที่ต้นใสนี้เพราะเศรษฐีนั้นเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งของเราดาบ ท, ทั้งหลายได้ยินดังนั้นจึงเกิดศรัทธาภะสาทะเลื่อมใสกครไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและจึงไปบอกลาเศรษฐีทั้งหลายเศรษฐีทั้งสามทราบจึงตามดาบทไป ดาบ ท, ทั้งหลายเข้าเฝ้าพระศาสดาทรงตรัสอนุปุปภิกถาดาบ ท, ทั้งปวงบรรลุอรหัตทูลขอบรรพชาทรงบาทและจีวร อ, อันสำเร็จด้วยฤทธิ์เศรษฐีทั้งสามเดินทางตามมาด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มบรรทุกเครื่องอุปกรณ์ทานอาหารเครื่องนุ่งหม่มเข้าไปเฝ้ายิพราเชตวันฟังธรรมบรรลุโสดาปฏิผล ถวายทานอยู่กึ่งเดือนทูลเชิญพระศาสดาสเสด็จกรุงโกสัมพีเศรษฐีทั้งสมเดินทางกลับกรุงโกสัมพีสร้างวิหารสามแห่งชื่อโคสิตารามกุกุตตารามและปาวาริการามแล้วทูลเชิญพระศาสดาสเสด็จแล้วกล่าวคำถวายสามครั้งว่าข้าพระองค์ขอถวายวิหารนี้แด่ภิกษุสงฆ์อันมาแต่ทิศ ท, ทั้งสี่ ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเศรษฐีทั้งสามกระทำแล้วถวายวิหารทั้งสามแล้วนายสุมาณมาลาการเป็นผู้อุปถากเศรษฐีทั้งสามขอถวายพัดแด่พระพุทธเจ้าและส่งสาวกในวันรุ่งขึ้นนางขุดชุดราทาสีของนางสามาวดีไปซื้อดอกไม้และอยู่ฟังธรรมด้วย นายสุมาณะเลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแลว้วอนุโมทนาฝ่ายนางขุดชุตราสดับธรรำคถาของพระศาสดาอยู่ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลดแล้วนางเคยซื้อดอกไม้เพียงสี่กหาปณะยักยอกสี่กหาปณะทุกวันแต่วันนี้นางซื้อหมดทั้ง8กหาปณะได้ดอกไม้มากกว่าทุกวันกลับไปพระนางสามาวดีสงสัยจึงซักถามทราบว่า เพราะความที่ได้ฟังธรรมกถาของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมจึงขอร้องให้นางขุจุตราสแสดงธรรมให้ฟังบ้างจึงให้นางอาบน้ำด้วยน้ำหอมส6บหกหม้อนุ่งห่มด้วยผ้าสาตกะเนื้อกเกลี้ยงให้ปูอาสนะแล้วให้นั่งบนอาสนะจับพัดอันวิจิตเรียกหญิงบริวารทั้งห้าร้อยมาฟังธรรมฟังธรรมกถาของนางแล้วต่างตั้งอยู่ในโซดาปฏิผล แล้วไหว้นางขุชุตรานั้นแล้วตั้งนางอยู่ในฐานะมารดาและอาจารย์ให้ไปสู่สำนักพระศาสดาฟังธรรมที่ทรงแสดงแล้วนำมากล่าวให้ฟังต่อมาพระบรมศาสดาทรงตั้งนางขุชุตรานั้นไว้ในเอตัทัคคะผู้เลิศในทางแสดงธรรม นางคูจุตราได้แนะนำให้ทุกคนเจาะช่องที่ฝาห้องที่อยู่ของตนนําของหอมและระเบียบดอกไม้ยืนอยู่ที่ช่องจงลาดูจงเหยียดมือทั้งสองออกถวายบังคมและจงบูชาพระศัสดาขณะที่เสด็จไปสู่เรือนของเศรษฐีทั้งสามยิงทั้งหลายเหล่านั้นกระทำตามแล้ววันหนึ่งพระนางมาคันธิยาเห็นช่องในห้องทั้งหลาย ทรงรู้ว่าหญิงเหล่านั้นบูชาพระศัสดาซึ่งพระองค์เคยผูกอาคาตไว้เสด็จมาถึงแล้วจึงวางแผนกราบทูลพระราชาพระราชาไม่ทรงพิโรธแต่ได้ทรงอนุญาตให้ทำหน้าต่างมีช่องน้อยทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วครั้งแรกในการนั้นพระนางมาคันธิยาไม่สามารถทำอะไรหญิงเหล่านั้นได้จึงจ้างทาสกรรมกรด่าบริพาทพระศัสดาด้วยวัตถุสิบอย่าง ว่าเจ้าเป็นโจรเป็นพานเป็นบ้าเป็นอูดเป็นวัวเป็นลาเป็นสัตวนรกเป็นสัตว์ยุราฉนสุคติของเจ้าไม่มีเจ้าวางทุคติอย่างเดียวพระอานนทูนขอให้เสด็จไปอยู่ที่อื่นแต่พระศาสดาตรัสว่าไม่ควรอธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดอธิกรณ์สงบระ ง, งับแล้วในที่นั้นแล้วนั่นแหละจึงควรไปที่อื่น เราจากอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินดังช้างอดทนลูกสอนซึ่งตกจากแหล่งในสงครามเพราะคนเป็นอันมากทุศีนราชบุรุษทั้งหลายย่อมนำพาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมขึ้นพาหนะที่ฝึกแล้วมูมนุษย์ผู้ใดอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินได้ผู้นั้นชื่อว่าฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐ มาอาชาในม้าสินทพที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐประยาช้างชาติกุญชอนที่ฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ผู้ฝึกตนเองได้แล้วประเสริฐกว่านั้นอธิกรณ์ย่อมเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกินเจ็ดวันไปพวกเขาจดัดดาได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นในวันที่เจ็ดจักเป็นผู้นิง่ง พระนางมาคันทิยาหาทางเล่นงานผู้อุปถัมภราสมนะโคดมโดยใส่ความพระนางสามาวดีละสนมบริวารทั้งห้าร้อยโดยส่งไก่เป็นไปให้พระนางสามาวดีแกงถวายเมื่อไม่ทำถวายก็กราบทูลว่าเอาใจออกห่างจากพระราชาไปปรนิบัติพระศาสดาขอให้ลงอาญาแต่พระราชาก็ส่งนิ่งพระนางหาความด้วยเรื่องงู เอางูถอนเขี้ยวพิษแล้วใส่ไว้ในพินหัสดีกันปิดช่องไว้ด้วยดอกไม้ในวันที่พระราชาถือเข้าไปบรรทมในห้องพระนางสามวดีทรงเห็นงูจึงสั่งลงโทษพระนางสามวดีและหญิงบริวารทรงถือธนูลูกศร อ, อาบยาพิษปล่อยลูกศรไปที่พระอุระของพระนางและหญิงเหล่านั้นแต่ลูกศร น, นั่นโอนกลั บ, บายหน้าสู่ทางที่พระองค์มาเที่ยวประดุด จะเข้ามาสู่พระหาไทยพระราชาด้วยเมตานุภาพของพระนางสามาวดีพระราชาทรงดำริว่าลูกศรไม่มีชีวิติดใจ ย, ยังรู้จักคุณของพระนางสามาวดีแต่ตัวเราหารู้คุณไม่จึงประคองอัญชลีประนมมือสำนึกผิดขอโทษพระนางและให้พร อ, อนุ ญ, ญาตให้พระนางถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สิ้นเจดวัน พร้อมกับขอนิมนต์พระศาสดาพร้อมภิกษุห้าร้อยรูปชันพัดและขอฟังธรรมเป็นเนืองนิดตั้งแต่วันนั้นมาพระบรมศาสดาได้ทรงพระอานนุ์และภิกษุทั้งห้าร้อยพระราชาก็ทรงถวายจีวรห้าร้อผืนด้วยทรงถามพระอา น, นุลว่าจีวรเก่าเอาไปทําอะไรพระอานนุ์ตอบว่าจะให้แก่ภิกษุ ผู้มีจีวรเก่ากว่าทั้งหลายทำผ้าปูที่นอนทำเป็นผ้าปูพื้นผ้าเช็ดเท้าแล้วเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าโครกให้ละเอียดผสมกับดินเหนียวฉาฝาพระราชาทรงเลื่อมใสและถวายผ้าห0 0รอยผืนถึงห0 0รยครั้งพระนางมาคันธิยาวางแผนใช้ให้อาของตนจุดไฟเผาประสาทของพระนางสามาวดีขณะพระราชาเสด็จทรงกีฬาที่อุทยาน พระนางสามาวดีได้ให้โอวาสกับหญิงบริวาร500ให้กำหนดอัตภาพให้เป็นผู้ไม่ประมาทหญิงทั้งหลายต่างมณสิการซึ่งเวทนาปาริกหาหกรรมฐานคืออันกำหนดเวทนาเป็นอารมณ์บางพวกบรรลุผลที่สองคือสกิทาคามิผลและบางพวกบรรลุผลที่สคืออนาคามิผลภิกษุเป็นอันมาก ได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาว่ากติของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรสัมปรยาพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาเหล่านี้ที่เป็นโสดาบันก็มีสกิทาคามีก็มีอนาคามีก็มีอุบาสิกาทั้งหมดนั้นไม่เป็นผู้ไร้ผลทํากาละรอกภิกษุทั้งหลาย และทรงตรัสพระกาถาว่าโลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันยอมปรากฏดุดรูปอันสมควรคนพานิมีอปธิกิเลตเป็นเครื่องผูกไวถูกความมืดแวดล้อมแล้วจึงปรากฏดุดมีความเที่ยงความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นอยู่ภิกษุทั้งหลายธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปในวัตะเป็นผู้ไม่ประมาทกระทำบุญก็มี เป็นผู้กระทำบาปกรรมก็มีเหตุนั้นผู้เที่ยวไปในวัตตะจึงสวยสุขบ้างทุกบ้างพระเจ้าอุเทนวางแผนถามพระนางมาคันธิยาโดยอุบายว่าทรงดีพระไทยที่พระนางสามาวดีตายเสียได้ก็ดีใครรู้บ้างว่ากรรมนี้ใครเป็นคนทาทำด้วยความรักในเรายิ่งนัก ให้หาคนทําจากปูนบำเหน็จความชอบพระนางมาคันธิยาหลงในอุบายนั้นจึงบอกว่าตนเองและญาติพี่น้องเป็นผู้ทําพระราชาให้เรียกหาคนทั้งหมดมารับสั่งให้จับคนทั้งหมดไว้แล้วให้ขุดหลุมไว้ประมาณสดือที่พระลานหลวงให้คนเหล่านั้นนั่งในหลุมเอาดินกรกเกลี่ยฟางไว้ด้านบนแล้วจุดไฟไถด้วยไถเหล็กทาให้เป็นท่อนละหาท่อนมิได้ พระราชารับสั่งให้เชื่อดเนื้อแม้จากพระนามคันธิยาด้วยมีดอันคมกริบแล้วทอดด้วยน้ำมันดุจทอดขนมแล้วให้เคี้ยวกินเนื้อตอนนั่นแหละพระบรมศาสดาทรงตรัสเล่าบุรพก ร, รมเก่าของพระนางสามาวดีกับบริวารในอดีตการพระเจ้าพรมทัตครองสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระปเจกพุทธเจ้าฉันอยู่ในพระบรมมหาราชวังเนืองนิดหญิงห้าร้อย่อมบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์กลับสู่หินมวันต์ตระเทศอีกองค์หนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ในที่รกด้วยหญ้าแห่งหนึ่งริมแม่น้ำพระราชาทรงพาหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ำที่แม่น้ำณนะสถานที่นั้น ถูกความหนาวบีบคั้นใกล้ผิงไฟจึงช่วยกันก่อกองไฟในป่าหญ้ารกชัดนั้นครั้นไฟยุบแล้วลายเห็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเกรงจะมีความผิดจึงทําการเผาด้วยฟืนกองใหญ่ด้วยสําคัญว่าไฟไหม้แล้วแต่ก็ไม่อาจเพื่อทําให้พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าภายในสมาบัติแม้ให้มีอาการสักว่าไออุ่นเพราะฉะนั้นเมื่อครบเจ็ดวัน จึงได้ลุกขึ้นไปตามสบายแล้วข้อนี้คือการเข้าฌานขั้นสูงไฟจะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับหญิงเหล่านั้นไม่แล้วในนรกสิ้นหลายพันปีเพราะกรรมนั้นอันทาแล้วไม่แล้วในเรือนที่ถูกไฟไหม้อยู่โดยทํานองนี้แหละสิ้นร้อยอัตภาพด้วยวิบากอันเหลือลงแห่งกรรมนั่นแหละ นี้เป็นบุรพากรรมของหญิงเหล่านั้นด้วยประการชนี้ส่วนบุรพากรรมของนางขุชุตราทรงตรัสล่ ว, ว่าในการแห่งพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสีนั่นแหละพระปัจเจกพระุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันได้เป็นคนค่อมองหนึ่งหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นอุปถายิกาได้ทำท่าห่มผ้าถือขัน ทำเป็นคนค้อมทำอาการล้อเรียนพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นทำด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้เพราะวิบากอันไหลออกแห่งกรรมนั้นนางจึงเป็นคนค่อมในชาตินี้อันหนึ่งในวันแรกพระราชาทรงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่า น, นั้นนั่งและให้ราชบุรุษบรรจุบาทใหเต็มด้วยข้าวปาญาิร้อน พระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าทั้งหลายต้องพลัดเปลี่ยนมือที่ถือบาดนั้นหญิงนั้นเห็นอยู่จึงถวายว่าลายงาแปดอันของตนแก่พระคุณเจ้าแปดองค์ให้ท่านเหล่านั้นวางบาดไว้บนว่าลายงาเหล่านี้แล้วถือเอาพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าทั้งหลายทําอย่างนั้นแล้วได้กลับไปยังเนื้มเขานันทมูลกะเพราะผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้นในบาดนี้ นางจึงเป็นผู้ทรงพระไตยปิดกมีปัญญามากนางจึงบรรลุโสดาปัติผลนี้เป็นบุรพัก ร, รัมในสมัยพุทธันดรของนางส่วนในกาลสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดาเสตีจับบัานกระจกนั่งแต่งตัวในเวลามีเงาเจริญคือตอนบ่ายนางภิกษุณีขีนาศบอรหันตเทรี กูคุณนเคยของนางได้ไปเยี่ยมทิดานนั้นกล่าวว่าดิฉันไหวเจ้าค่ะโปรดหยิบกระเช้าเครื่องประดับนั้นให้แก่ดิฉันก่อนพระเทรีคิดว่าถ้าไม่หยิบให้นางจากโกรธและบังเกิดในนรกถ้าหยิบให้นางนางจะเป็นหญิงรับใช้คนอื่นย่อมดีกว่าตกนรกพระเทรีเอนดูจึงได้หยิบกระเช้าเครื่องประดับนั้นให้แก่นาง ระผลอันไหลออกแห่งวิบากกรรมนั้นนางจึงเป็นคนรับใช้ของคนเหล่าอื่นส่วนเรื่องของนางมาคันธิยาทรงตรัสว่าคนเหล่าใดประมาทแล้วคนเหล่านั้นแม้เป็นอยู่ตั้งร้อยปีก็ชื่อว่าตายแล้วแท้ส่วนคนเหล่าใดไม่ประมาทแล้วคนเหล่านั้นแม้ตายแล้วชื่อว่ายังคงเป็นอยู่ พระนางมากันทิยาจะเป็นอยู่ก็ตามจะตายแล้วก็ตามชื่อว่าตายแล้วทีเดียวส่วนยิงห้าร้อยที่มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าเป็นอยู่นั่นเทียวผู้ไม่ประมาทชื่อว่าไม่ตายผู้ไม่ประมาทเป็นทางแห่งอมะตะไม่ตายบัณฑิตรู้ความนั้นแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาท บันเทิงอยู่ในความไม่ประมาทยินดีในความเป็นที่โคจรของอริยะเจ้าทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นมีความเพ่งความเพียรเป็นไปในติดต่อบากบั่นมั่นเป็นนิดเป็นนักปราชย่อมถูกต้องพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม